ที่นาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติเจริญกุศลภาวนานั้นจะมีหน้าสำหรับผู้มีบา ร, รมีและบุญวัสนาเท่านั้นตะคนไล่บุญวัสนาจะไม่มีโอกาสภาวนาไม่เสนใจในการสร้างบา ร, รมีของตนผู้ที่มีบุญมีนิสัยมาแต่อดีตชาติ แต่ปางก่อนนั่นต้ามีมใช้ปัจจัยสนใจให้ตัวเองและก็ใส่ใจตนเองถ้ามีความกระตือรลลือร้นอยื่ตนเองือการแสวงหาความดีใส่ใจด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ทำได้ยากมาก คนที่ไล่บุญวาสนาขาดบารมีขาดนิสัยปัจจัยมาติก่อนไม่เด็กติดตามเป็นพราะวะปัจจัยมาในชาตินี้แนวจะไม่สนใจปฏิบัติธรรมเลยเราจะเห็นคนมาวัดกันมากนาหลายตาถามว่าจะเรินพระพุทธคุณดีนะเขาก็ไม่ทราบว่าพระพุทธคุณคืออะไร ตอบในทางทีท่คือไม่ได้สนใจนั่นเองคนที่มีบุญวาสนาจะสนใจในตนเองเหมือนข้าพิสุมาบวชในประสาทศาสนาถ้ามีบุญวาสนาจะสนใจแสวงหาความรู้จะสนใจแต่ความดีเท่านั้นคนที่นายบุญวาสนาที่มาบวชเป็นข้าพิสุจะไม่มีทางสนใจเลย จะไม่มีจิตกระเทรล้นแต่ประการใดจะทำไปโดยเสียไม่ได้คาสวดมนต์ก็สวดบ้างคนงนั่งพ็นั่งบ้างไปตามประเพณีการนั่งภาวนาเท่านั้นถ้าคนมีสนใจมีศรัท ธ, ธามีความเชื่อความเลื่มใส จ, จะเกิดขึ้นเป็นอิสัยปัจจัยของเขาเองพร่เจ้งบังคับ การช่างความดีนี่ไม่ต่อบังคับอาจจะเป็นท่าปรสศที่บวชใหม่หรือเก่าถ้าให้มัจเริงกรรมาฐานก็เป็นการบังคับเพราะเขาไม่ศรัทธาเขาไม่สนกายตัวเองนะถึงจะบังคับยังไงก็เอาดีไม่ได้ดีไม่ได้แน่นอนเพราะเหตุว่าบังคับ ผู้ที่มาบวชเลื่อมใสในประสาทสงาอย่างโยมอุบาสกอุบาสิกามาบวชนุ่งขาวเพื่อบำเพ็ญศิลภาวนาเรียกว่าเนกขัมมะปฏิบัติท่านตั้งหลายก็มาด้วยนิใัยปัจจัยของท่านเองท่านตั้งหลายมาด้วยศรัทธาของท่านเองเริ่มต้นด้วยกระตุ้นลุล่อนสนใจในการปฏิบัติธรรม เกิดขึ้นเป็นนิสัยคงทันแล้วท่านจะได้ผลอย่างแน่นอนคนที่ไร้ขา้าขาดอุทลเดิมไม่ใช่ก่อนไม่มีนิสัยมาก็ไม่เคยเป็นโยธาหายของประเวทชนดอนมาการก่อน <c oughs> แล้วนั้น <c oughs> จะไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมแน่เรจะเห็นถามทั่วไปบอกเคยปฏิบัติธรรมมังไหม เาวาเลยนั่นแหละคนลายวัฒนาคนไม่สนใจถ้าการทัง้งหลายจะมีนิสัยมาจากชาติปางก่อนปางก่อนนั้นเคยเป็นโยธาหารบริวารของทุ่มเวรประเวทชันดอนแล้วนั้นจะอยู่ในดงดอนอยู่ในบ้านเมืองสมัยนั้นเป็นเวลาสามหมื่นปีแล้ว สามหม่นปีปะัวเวทปราช่าเป็นตัวเวทขั้งตอนนั้นคนเราก็ไม่มีสัยมาเกิดโชมนุษย์กับปฏิราภูการเกิดเป็นมนุษย์ยากมีความหมายมากผุดชั้งนัชีวิตตังงการเรือเกิดมามีอายุถึงปูนี้ก็แสนจะยากแสนจะยากมากที่จะมีอายุ เช่นมีชีวิตอยู่ได้ก็แสนจะยากลำเทงใจจิ่ชั้งทำ ม, มัทสวรนังการที่จะฟังธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากที่จะมีฟังธรรมได้บางแห่งก็ไม่อยากจะฟังธรรมะฟังแสดงพระธรร ม, มเทศนาและพูดสอนผู้เทศพูบัญญายก็ไม่ได้มีจิตเป็นมหากรุศ คนฟังก็ฟังไปตามประเพณีมีความหมายมาอย่างนี้คือโชพุท ธ, ธานมุมุก ป, ปาโธการที่จะบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าเข้นจะยากมากจะหาโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าก็ยากแต่เราเนี่โชคดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดสมบัติร่างกายก็สมบูรณ์แบบแท้ มายการสามยี่สองก็ครบไม่เป็นคนใบดาชื่อสริดผิดมนุษย์แต่ประการใดแต่ก็ไม่สามารถจะทำสร้างมนุษย์ไว้ได้จิตใจก็ไม่เป็นมนุษย์ทำความมนุษย์ให้ต่ำต้อยถอยหลังงคกรบางคนก็อายุสั้นอายุสั้นมากจิตชั้งชีวิตตังชีวิตกระสรันเกิดมาเป็นมนุษย์ บางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนตายทุแต่ในท้องที่ยังไม่ได้ลองออกมาลองเอาแหวนก็ตายแล้วหมดทางที่จะตั้งสร้างความดีต่อไปติดฉันศรธรรมมาวัฒนอมาชวนัณณ์ที่จะได้ฟังธรรมก็ยากเราจะเชิญออกบัดเชิญผู้ให้มาฟังเทศก็ยากไม่มีคนฟังหรอก คนฟังดูศรัทธานี่หายากถ้าไปเที่ยวไปลงมโหสถหรือไปหาแสวงหาใบายามุกไม่ต้องจ้างเขาก็ไปกันแล้วแต่การเชิญให้มาฟังเทศมาฟังธรรมจิตช้งงจะธรรมวัดมัชชวนังก็ยากเห็นของหายากอีกประการหนึ่งเหมือนกันอิกโฉพุทพทระภพปานโนปปาปาโท การที่ตัทลูของพระพุทธเจ้าก็ยากอยู่<ม>แต่เรามาอยู่ในไข่ของพระพุทธเจ้า้นเดินที่ถิชิตตามหลักพระพุทธศาสตร์ทั้งนามาตั้งมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้วคยรจะเลยล่วงเลื่อยดูน้ำบัดนี้ท่านผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติทั้งหลายเอี้คนเราที่จะสนใจฟังธรรมน้อยมากนี่แหละเป็นของหายาก อย่าสนใครมีศรัทธาที่จะฟังธรรมะฟังพระธรรมเทศนาก็อยากอยู่ไม่อยากจะสนใจฟังจ้างก็ยังไม่อยากฟังพระบางองค์เนี่ยคงจางเทศท่านก็ไม่อยากจะเทศให้ฟังเพราะท่านไม่มีนิสัยปัจใจดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกั น, กนมันต้นของหายากไปหมดไม่มีอะไรเป็นของง่ายแจกประการได้ นี่แหละคนเราเนี่ยถึงไม่อยากจะทํากันชินี้ไม่อยากจะสนใจถ้าท่านมีนิสยัยมาแต่ชาติก่อนไม่ตรงกลางท่านก็มาฟังบางคนมาถือวัดนี่มากหลายเขาก็บอกว่าไปฟังบรรยายในโบสถ์เนาะพ่ออยู่ในโบสถ์ไม่ไปแล้วนั่งคอที่กูตินี่แหละคนไม่มีนิสยัยไม่มีปัจจัย ไม่ต้องบังคับเอารถไปลากเอาช่างไปฉุดก็มาไม่ได้บางคนอยู่ใ ก, กล้ๆอยากฟังธรรมได้ยินเสียงธรรมะก็อกจะแตกมันจะแยกออกเป็นสองเสียงแล้วเพราะมันไล่ข้าเหลือเกินชีวิตของท่านหาได้ยากแต่ทรรมเป็นง่ายไปอย่างนี้เป็นตน้นจะฟังธรรมสักหน่อยก็อยากอยู่ การจุดโถมมนุษย์สัตป์ปีลาพนเหล่าก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วท่านยังไม่มีโอกาสรักษาความยากขอไว้เลยทำมาักง่ายมากได้ค่อยๆลอยถอยล้างลวงคลองความเป็นทุ่มบัตของมนุษย์ของท่านก็หมดไปไม่มีเหลืออยู่แม้แต่น้อยเลยขอฝากไว้มีและมีความหมายอย่างนั้นสี่ั้งนนะักชีวิตตั้งชีวิตก็ตไม่อย่างยืน อายุกว่าสามอายุมายืนเลยเพราะมันเด่นสนใจความเป็นมนุษย์ทุนธรรมสนใจแต่ เ, เรื่องเลวร้ายปิดช้างศรธรรมมัทสวนังก็ไม่สามารถจะฟังเทศได้คนประเภทนี้นะหายากมันยากไปหมดเราจะมีช่องโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าในชาตินี้นะั้นกันก่อน อัตถลูมาก็ได้ชี้แจงแสดงไปทั้ง45พระบัรษาจนเข้าสู่ปริ์ผ่านแต่าความการคำสอนของพระองค์ไม่มีเหตุผลแล้วก็คงจะใช้กันไม่ได้อยู่มาถึง 2,539 พระพันษาแล้วก็ยังใชอ้อยู่่เดี๋ยวมีฝรั่งมังค่าต่างชาติต่างศาสนามาสนใจ การภาวนาปฏิบัติธรรมกันมากจะเป็นชาติใดภาษาใดเขาก็สนตายแล้วแต่นิสัยปัจจัยของเขาเนี่ยขอเจริญนพรายาที่น้องถ้าคนไหนไม่มีนิสัยจะบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจาก็ไม่เอาไหนนี่จะมันยากที่สดยากเหลือจบพันลรานาผู้ที่มีกะติล ล, ลิลน์ในขงใจหายาก หาดูความลาบากมากร้อยละหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีแล้วบอกว่าส่วนพุทธคุณนะแต่แล้วอายุมากแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธะพุทธคุณคืออะไรถ้าธรรมคุณก็ไม่รู้ถราสังฆะคุณก็ไม่รู้ด้วยเลยไม่ทราบไม่ค่อยใจคนที่มีปัจจัยดีมีนิสัยมาจะใช่ชก่อนจะสนใจถามสนใจแสวงหาความดีใส่ตน ตลอดรายการคนที่ไล่ข่าขาดราคาคนไม่มีความสนใจแต่ประการใดถึงจะบวชโดยท่าประสงคก็บวชอย่างนั้นยิ่งนานเท่าไรก็ขาดทุนมากเท่านั้นถ้าผู้ที่สนใจมีอัจฉริยาสายัยมีน้ำใจงามจา ไ, ได้กำไรชีวิตทุกเวลาเวลาเนมีประโยชน์ในชีวิตของเขาเขาจะคิดได้ บางคนคิดไม่ออกเลยมา น, นั่งขวดมนต์ให้มันเมื่อยทําไมมาฟังให้มันเมื่อยไม่เกิดประโยชน์ก็มีส่วนใหญ่ร้อยละเจ็สิบเปอร์เซนที่เป็นเช่นนี้เนี่ยน้อยนักน้อยหนาจะเรียกว่าของหายากสิประจำมีโชมมนุษย์ปริลาโพนั้นเดิเกิดมนุษย์ระยากเขาก็คิดว่าตีงะต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบ มีทั้งญานาวิถีมีทั้งปัญญามีวิทั้งวิชาความรู้มาเป็นคุณเดิมมีทุนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่สามารถจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ทําให้เสียความเป็นมนุษย์แน่นอนนี่ของหายากอยู่ตรงนี้คนเราจึงไม่สนใจความดีสนใจความดีจึงเกิดถึดชั้งมัดจังในชีวิตต่างชีวิตก็ช้าน อายุมย่ยนืนบางคนก็อายุไม่ทาลายตายแล้วตายแล้วเพราไม่สนใจความดีอันนั้นอายุมายืนโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนตลอดรายการอาขอฝากไว้ถ้าท่านมีนิสัยปจยัจจัยท่านจะสนใจสมบัติมนุษย์สนใจบำเพ็ญศีลสนใจบำเพ็ญภาวนาทำให้อายุทานเืนกิดฉั่งมัดจังมาจีวิตตัง ชีวิตถ้าจะยั่งยืนชีวิตนี้จะแจ่มใสชีวิตนี้จะดีเราติกฉัางัรธรรมมาตมัดิดสวรรนั่งสนใจฟังธรรมะสนใจอภิตายธรรมสนใจฟังเทศน์ฟังธรรมในประสาทศาสนาในยนี่ก็เพราะเหตุว่าของหายากเราขอหายากก็ได้แล้วถ้าท่านมีนิสัยท่าจะเข้าใจคำนีน้คือโฉพุท ธ, ธานมุ ป, ปาโธ เราได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกแล้วท่านยังจำไม่เอาหรือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นเป็นศัจธรรมเป็นธรรมที่มีคุณสมบัติใครจะค้าใครจะเถียงพระองค์ไม่ได้เลยทำดีต้องโดยดีทำชั่วก็โดยชั่วเอาตัวรอดได้ยังนี้เป็นตน้นนี่แหละสรุปใจความวาของหายาสีประการนั้นถ้าผู้ใดมีครบ ผูนั้นจะแสวงหาแต่ความดีจะไม่แสวงหาความชั่วแต่ประการใดพราภิกษุที่มาบวชนี่ยังแตกต่างทันไปมาคนลพืชคนละพันมาคนลโคดมาคนละอย่างมาจาทชั้นต่ำทั้นกลางชั้นสูงมารวมกันอยู่ถ้าหากก็สนใจแสดงออกบอกให้ทราบหรือความศรัทธาและกระตืรลอ้นขึ้น ถ่าจะได้ความรู้ไปเยอะคั่วความดีจ ะ, จะเริมกุศลภาวนาให้มากขึ้นความเป็นมนุษย์สมบัติก็เพิ่มขึ้นความมีอายุสั้นก็หากลายเป็นคุณอายุยืนเ่าออไปได้ไม่ตายเชื่อทันเวลาสา ม, มารถที่จะต้องสร้างความดีไปอยู่อีกยาวนานคืออายุยืนและก็สนใจฟังพระธรรมเทศนาสนใจฟังธรรมะ แ, แหวงหาความดีให้กั่ตนเพราะเราได้กุศลนี้มาจากนิชัยม่ใช่ก่อนขอเตืนอนพรอย่างนั้นแล้วเราก็มาประสบพบโชคดีในเมืองไทยมีพระพุทธศาสนาและหยดอ่อนเพื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปูได้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นแต่พธาารธเจ้าผู้ น, นั้นต้องปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมเห็นอย่างไรก็เห็นธรรมสั่งสอนอยู่ในจิตใจพระองค์จะก่อนจะเข้าประสู ป, ปันิพานถึงกล่าวว่าอัมโนทิรุชาวะอันโนเราเข้าสู่นิพานแล้วนั่นตัวแทนของเรานั้นก็คือพระธรรมวินยัยตัวแทนของเรานั้นคือธรรมะที่สอนไป อาทั้ทั้งหลายมีศรัทธาเลี่ยใสมีจิตเป็นกูรสนก็ปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นมีธรรมประจําใจมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นเหล่าก็คือพระปัญญาคุณอาจจะเป็นผู้ทรงไว้ถึงปัญญามีสติปัญญาดี เหนือหนอกเหนือจากนั้นแล้วพอทา่านมีภาวนาก็สามารถจะรู้เหตุผลว่าความดีความชั่วเป็นอย่างไรการภาวนาเนี่ยต้องการจะสอนตัวเองว่าตัวเองนี่มันมีทิฏฐิมานะเหลือเกินสอนให้ละทิฏฐิมานะโดยการสอนตัวเองคนจะสอนตัวเองได้ไม่จะไปดูหนังสือต้องภาวนาให้มันเกิดเป็นตัวหนังสือขึ้นมา ว่าทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้มันดีจะบอกให้เราทราบได้โดยปัจจิตังเวที่ตับโคมิญูสิรู้ได้เฉพาะตัวท่านเท่านั้นคนอื่นหาได้รู้ไม่ทําทําชั่วใครก็จะรู้ได้ตัวท่านนเป็นผู้รู้เันเสแส้แกมปราวาจาท่านก็เป็นผู้รู้สามารถจะเสนอแส้แกมปราวาจาได้โพลุขวาจาพลับผวาจา พูทคำว่าคือพูดเทศจหน้าอย่างลงคอพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจด่อย่างหน้าใจหายเขาก็สามารถจะทำได้ประเภทพวกนี้พวกไร้ใหตนผลพวกไร้ปัญญาไม่มีปัญญาประจำตนขี้เกียจที่สุดไม่สนใจขยันหมั่นเพียรถ้าเราจะรู้ได้ว่าผู้มีนิสัยปัจจัยจ ะ, ะแสวงหาแต่วความดีสนใจ ปฏิบัติธรรมหากว่าไม่มีนิสัยมารดชาติก่อนไม่ต้องบังคับบังคับนี่ไม่ได้บุญจะเชิญมาบวชนุ่งขาวในธรามปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาอย่ามาเลยนะมาคุยกันมากล่าวลายปางสิสร้างความดีไม่ได้เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นคุณประโยชน์กับ ต, ตัวท่าน แตท่านแสวงหาความดีใส่ใจของท่านเพื่อปกครองครอบครัวปกครองตัวได้ครอบครัวท่านจะมีสันติสุขมีความสนุขในการทำงานสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะกันคนมีนิสัยดีปากก็มีธรรมะคนนิสัยไม่ดีธรรมะมันไม่อยู่ด้วยเราเสกสารปั้ น, นแปลงยังไงก็ไม่สามารถจะสร้างความดีเขาได้คนประเภทนะ ระเพศขาดนิสัยระเพศขาดกระจายไม่ต้องบังคับที่วัดอัปพวันเราจึงไม่เชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมหรอกใครมีบุญมาเองสนใจก็มาได้ผลร้อยเปอร์เซ็นถ้าขายการสนใจนิสัยไม่ดีอย่าทำเลยมาสร้างบาปเชื่อปรปลาวไม่เกิดประโยชน์มาไขาข้องการบำเพ็ญสมณนะรมของคุณอื่นเขาด้วยมาเสียงเอดเสียงดงัง เป็นบาปสถานที่ภาวนาเขาก็ตองบอกไว้แล้วสถานที่ภาวนาทุกคนเข้าไปแล้วต้องภาวนาสร้างกุศล ส, สร้างบุญให้แก่ตนต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้นขาดนิสัยปัจจัยปัจจัยก็ไม่มีนิสัยก็ไม่ดีด้วยทำยังไงดีไม่ได้อายุสา้นทารักษาสม บ, บัติมนุษย์ไม่ได้ ก็คือการเจริญภาวนามีกรรมบทชสิบคนที่เกิดตาไปมนุษย์มีกรรมบทชสิรรบติตัวมากายกรรมสามวัจกรรมสี่มนโนกรรมสามครบถึงจะเป็นมนุษย์ไม่ฆ่าสั์ไม่เบียดเบียนสัดไม่เล่้งประเวณีในสงคมที่นาบาัตสีชัดเจนไม่พูดเท็จ ไม่พูดซอเสียไม่บุคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อวจีกรรมสิ่งมโนกรรมสามไม่ละโมบเรามาอยากได้ของเขาไม่ผูกพยาบาทคาดเยวนต่อท่านพู้ใดนั่งใจสร้างความดีในกุชลุญเวลาศีมีสัมมาทิฏฐิตลอดเลยการนี่แหลมโนกรรมสามถึงจะเป็นมนุษย์สร้างอย่างนี้เป็นมนุษย์มาเกิดแต่แล้วยังประเสริฐไม่ได้ ไม่สามารถจะรักษากรรมบทติสิบไม่ได้เลยกลายเป็นมนุษย์แปรตอมนุษย์เดรฉานโนมนุษย์เนลยิกโกกลายเป็นมนุษย์นรกมนุษย์เปรตมนุษย์เดรฉานหวางคนโนนขวางคนนี้ตลอดเลยการก็เพราะของหายากรประการไม่มีในตัวท่านเลยไม่มีแน่นอนต้องบังคับมาสร้างความดีเห็น แต่จะโยโอมแต่ที่ผลแต่ประการใดก็ออกมาทันลองนี้เป็นตอนนี่มีความหมายมากผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อความเมตไฉนไม่ต้องบังคับที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกันนั้นบังคับหรือไม่ท่านมาด้วยศรัทธาใช่ไหมมาด้วยความเชื่อความเมตไฉมาด้วยสมบัติมนุษย์มาด้วยจิตมีไฉปัจใจ สนใจต้องการให้อายุยืนการเจริญกรรมาฐานต้องการให้อายุยืนเพื่อรักษาสมบัติมนุษย์ไว้รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้ให้ผ่องแท้ให้ได้ร้อยเปอร์เซจะไม่มีความมนุษย์ที่ตกต่ําแต่ประการใดท่านคงไม่ไปเนยแรงยีโกคงเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์นรกไม่เป็นมนุษย์เปรตไม่เป็นมนุษย์เดรัจฉาน จจะมีแต่มนุษย์กระพูดต อ, ม น, ม, อบบมนุษย์สมบูรณ์แบบอยู่กรมบทชสิบมนุษย์กเทโวโอท่านจะมีหิริโอตับะมีความละอายเกรงโกต่ บ, บาปทุจริตไปจริงทำจะไม่ปอกรรมทำเข็ญอีกต่อไปแล้วนี่ยังเมื่อท่านจะอายุยืนถึงลูกหลานของท่านท่านเป็นพ่อเา้าท่านเป็นแม่เขาท่านเป็นลูกชายลูกสาวของบิดามันดา ก็สามารถจะเสริมสร้างบิดาบรรดาให้มีกุศลดัพ่อแม่กำลังป่วยกำลังป่วยลูกสามารถนะางกรรมฐ า, านให้พ่อแม่ได้ก็สายโยหิตอันเดียวกันสามารถจะทําได้โดยไม่ยากนักพ่อแม่ก็สามารถจะให้ลูกดั่วันนี้มีหลายลายมาฟ้องลูกติดยาเจ็บติดเป็นลูกผู้หญิงโศบุรีด้วย ติดยาเสพติดด้วยบุหรี่ด้วยเหล้ายาปล้าปิ้งกินพร้พอมเลยอตาตมาไม่โทษเด็กมันโทษลูกสาวโยมคนนั้นโทษพ่อแม่ไม่ดีไม่มีนสายปัจจัยเลยถ้าชวนลูกสวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เป็นเด็กนกอยู่ในกรงรีบสอนถ้าชวนลูกสวดมนต์หรือว่าไม่ลูกไม่สวดพ่อแม่สวดลูกเล็กๆแต่มันยังกําลังหัดพูด กำลังจะฟังกำลังจะคิดเด็กเขาประชวดมนด้วยนี่สิหายากที่ลูกตาวทาังเสียหายเลวลายนั้นไม่โทษใครจะไปโทษกฎทางกรรมไม่ก็ไม่ฉชดโทษพ่อแม่ไม่ดีสร้างความไม่ดีให้กับลูกทําให้ถูกให้กับหลานออกมาชัดเจนลูกทั้งเสียหมดมีมาบอกหลายคนจะให้แผ่เมตตาให้ลูกท่านเป็นคนดีคงไม่ได้ไม่ได้นิสัยมันดี คนที่หนูใสไม่ดีเนี่ยจะสร้างความดีได้ยากมากสร้างไม่ได้แน่นอนยอมผู้หญิงโยมชายทั้งหลายผู้มีบุญวา ส, สนาถึงจะมีโอกาสมาสร้างบุญคือการเจริญตะก ร, รมฐานทาให้เกิดความสุขในจิตใจทาให้มีบุญวา ส, สนาเกิดขึ้นจะประกอบอาชีพการงานอันใดก็จะได้ผลมากผลได้มากได้ผลได้กาไรชีวิต ชีวิตเป็นกําไรของการงานและหน้าที่เพราะคนเราต้องอาศัยการงานกับหน้าที่เป็นชีวิตอันเรืองเลี้ยงลิบไม่มีพิษมีภัยกับใครใจก็ซื่อมือก็สะอาดทํารเฉียบขาเป็นธรรมแต่จะมีกิจกรรมในครอบครัวของท่านเองนี่แหละเป็นความดีที่หาได้ยากและก็เป็นความยากของมนุษย์เหลือเกินที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้นว่ากิจโฉมนุษย์จะปฏิลาภ การเกิดเป็นมนุษย์ยากและทําไมถึงเอาความสมบัติมนุษย์ไป่ชิ้นท่านมีการมาบทสิบมาแล้วแต่ไม่ฉะนั้นท่านจะไม่เป็นมนุษย์ราถาเสียทีก็ไปเกิดเป็นสาสตร์วิญญานมากมายแตกกองแต่ทําไมหนอจึงไม่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้แล่าการเจริญภาวนาเจริญสติปัฏฐานสีน่นี้การยืนหนอห้าคลางเดินตรงกลมตั้งสติไว้ทุกอริบทการมาบทสิบท่านก็ครบ ขณะที่ท่านจเจริญตราร ม, มาฐานพ้องหนอยกหนอกายกรรมสามครบวจีกรรมสี่ครบมโนกรรมสามครบนี่แหละมนุษย์สมบัติตั้งจะเกิดก่อให้เกิดผลในมนุษย์สมบัติของท่านตลอดกาลในชีวิของท่านไม่ค่าศาสตร์เบียดเบียนทรัพย์เบื่องประเวณีแต่ประการใด ขณะที่กายการ 3, มกรมสามมิีกรรมสี่มโนโกรรมสามครบสั้งขณะที่เจริญภ า, าวนานั้นท่านคงไม่พูดเท็จคงไม่พูดคำหยาบคงไม่พูดค่อยเจ้อต่อไปจจตใจท่านก็สงบนั่นแหละเป็นบุญเป็นวาสนาใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำอะไรเฉียบขาดเป็นธรรมเกิดขึ้นในตัวท่านเอง น, นี่แหละกาลังภาวนาเนี่ยเป็นการสอนตัวเอง คนอื่นมาสอนสู้เราสอนตัวเองไม่ได้กำลังจเจริญภาวนาจะเป็นการเดินจงกรมขวาอย่างหนอคล้ายอย่างหนออม่สติครบทำมบทสิบครบบริบูรณ์บริบูบรณ์ลเลยทจานจะตอนที่ท่านมีสติดีสัมปชัญญะดีท่านจะไปพูดเท็จไหมจะไปพูดสอเสียกับใครไหมจะเพื่อเจอหรือไม่ ท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะนั่นเนี่ยเป็นการสอนตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาสอนเราจะเป็นการฉงองเจ้าเหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันหากว่าทำได้ก็เป็นการสอนตัวเองนะทำให้ถึงพ่อแม่มีความเจริญรุ่งเรืองได้นี่แหละที่มอมาบวชกัเนเนี่ยบวชให้แต่พ่อแม่ โยมผู้หญิงก็ต้องการจะบวชให้พ่อแม่นั่งกรรมฐานเนี่ยพ่อแม่ร่วมหายตายจากไปนรกยังขึ้นจากเมืองนรกได้แม่ผู้ครตายยังขึ้นจากนรกได้มาเข้าฝันมาบอกกับลูกสาวว่าแม่ได้พ้นทุกข์แล้วลูกทําให้แม่นี่แหละกตันยูกัตเวชีตาวทำชัดเจนมากพ่อ แ, งงงแอพร่กําลังง้องแงไปเอามาพลึกอมภาดลูกนั่งโดยศรัทธา จะเล่นกูชนแผงให้พ่อแม่บัดนี้พ่อแม่หายแล้วเดินได้อย่างกล้องแคล้วแต่ต้องทําด้วยศรัทธามีนิสัยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีนิสัยอย่ามาทําเลยเป็นบาปเอาเวลานั่งขึ้นมาโบนโอ้ยเมื่อยจังวันกูไม่เอาต่อไปไว้อยอย่าพูดเลยท่านเป็นบาปอย่างไรแรงเป็นบาปแล้วเสียสจัจธาแล้วสร้างความดีไม่ได้เลยแล้วก็เสีอศรัจธา ความดีจะไม่เกิดไม่เกิดผลทัฒนาศึกษาก็ไม่ได้วิสุทธิภาวนาก็หมดไปไม่มีความบริสุทธิ์ในจิตใจจะไะตามได้จิตใจก็เหลยวแหลกแตกลามไปตามสภาพพุชชวิตรตงนั้นไหนเลยแล้วจะได้กูชอนหลับมีแหละบุญกุชอนมาอยู่ตรงนี้นะนี่แหละท่านให้นึกถึงตัวเองบ้างว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ยากจะไม่้องกล่าวบาปีต่อไปจะกล่าวถึงธรรมะว่า กว่าจะคลอดจะขับพาข้อแม่ทําให้แม่จ้องลำบากวันเกิดของเราแล้วเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มสักวันเนี่ยทำไม่ได้การต้องเลี้ยงล่าวเพื่อนจนได้เดิเก่งชะเมาเป๋ไปเลยวันเกิดนั่นเนี่ยทําให้ยุ่สับจิตชั่งมัจจานอยชีวิตตั้งชีวิตจะสั้นชีวิตมายืนอายุจะมายืนต่อไปอายุสัน้นในเวลาอันสมควรคนเรายุคใหม่สมัยนี้อายุมายืนเลย โรภัยคข้เจ็บก็เบียดเบียนก็ไม่อยากจะฟังธรรมวัฒน์สวรรค์ไม่อยากฟังธรรมไม่สแสวงหาความดีกระทั่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสโลกแล้วกิชังกิจโชพุทธานมุ ป, ปาโทไม่พระพุทธเจ้ามาตัสแล้วแฉแสงธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วคือโลกกัวิถุก็ราวก็ยังมืดกันอยู่ไม่สแสวงหาบุญกุศลให้มีแต่ความสุขในตัวตน ทุกคนต้องยอมรับว่าชอบความสุขหรือความทุกข์ทุกคนเกิดมาเหมือนกันก็จริงท่านชอบความทุกข์ไหมชอบความเดือดร้อนไหมไม่มีใครชอบละคนแต่ทาไมเดินไปหาความทุกข์ทาไมเดินไปหาความเดือดร้อนเ่าเราจะเริญนภาวนาเข้าจิตก็เป็นกุศลบุญก็เกิดความสุขธรรมะไรยก็อาศัยหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นชีวิตก็จะแจ่มใส ใจก็สบายนั่นแหละเป็นความสุขของท่านไม่มีความทุกข์แต่ประการใดเมื่อไรเดือดร้อนมันก็แก้ไขได้แือการเจริญกรรมฐ า, านปัญหามันอยู่ที่วาดยืนหนอทำให้ได้ได้เดินจงกรมช้ า, ชาๆเดี๋ยวท่านจะมีสติปัญญาเองไอเรื่องนี้บอกญญกันยากมันไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่เลียนหนังสือจะได้บอกกันได้ท่องหนังสือหน้าชอบได้มันก็ผ่านชั้นไป แต่การเจริญกุศลภาวนาเนี่ยทํำยากมันไม่ใช่เรียนหนังสือมันทําให้เกิดผดขึ้นมาเองเป็นการสอนตัวเองสอนตัวเองไม่มีทิฏฐิมนะแต่ประการใดคนที่ดีมีปัญญาต้องเอาสติไว้ที่จิตใจเอาสติไว้ที่จิตเป็นความคิดสูงถ้าเอาจิตไปไว้ที่ปากความคิดจะต่ําความคิดจะเลวร้ า, ายต่อไปในสังคมของคุณไทย กรรมชี้ยะหายมากมายเพราะจะนั้นการสร้างความดีไม่ต้องบังคับใครแล้วจะเป็นประสงค์องค์เจ้าก็ไม่บังคับจะมาสวดมนต์หรือไม่สวดจะนั่งบ่งเป็นกุศลอุทิศถวายพระราชาก็ไม่บังคับแต่เราก็ตัญญูกตวเวธิตาธรรมต่อองค์พระราชาถวายเป็นราชภรีกุศลบุญญาสิสีให้แก่องค์พระราชาที่เราได้ลมเย็นเป็นศุขตลอดมาก็องค์พระราชา ได้พระราชเจามริให้รัชดรประสงนิกรทั้งหลายได้รับความนมเย็นเป็นสุขพระองค์พระราชามีความหมายมากนักภาษาอะไรกับองค์พระราชาแล้วแต่สมเด็จระศีนครินทรลาบุรมราชชนยนยีมีกระชอนพัรษามาก ถ, ถึงก้ 4, าวดุตริพรรษาสวรรค์นครท่านยังช่วยเหลือประชาชนประสงคนิกรรัชดรทั้งหลายโดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนอาหาร ตกทุกข์ได้ยากอยู่ไทยแดนท่านช่วยหมดตอนไม่เห็นกับความยากลำบากสเสด็จตลอดรายการตั้งขึ้นเขาก็ไปลงห้วยที่จะไปธุลกันดาลก็สเสด็จไปหมดเลยช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องนึกถวายเป็นพระราพรีกูชรบุญญาลาสีถวายต่อองค์พระราชาพระมา ก, กัฏ ศาสนาประถมพกถึงยกกรองพระพุทธศาสนาเราจึงมีศาสนาอยู่ได้จนทุกวันนี้พระราชาท่นานในฐานะถาสนาแล้วไหนเลยจะหยุดยกระศาสนาให้เราได้มีโอกาสมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมเราโดยจะการส่งเสริมและช่วยเหลือทุกวิธีการทั้งองค์พระยาชาท่านก็จงพนวดบวชในพระศาสนาด้วยกันทั้งนั้น ละองได้ทรงเจริญพระธรรมกรรมาฐานทุกระองนี่จะเป็นการเสริมสร้างบารมีรสร้างกุศลวุญยาณศีลให้กับตัวเองโดยไม่ต้องใช้สตางค์แต่ประการใดที่อยากโยมมาปฏิบัติธรรมก็ต้องการมีเป็นคนมีบุญวัฒนาะต้องการให้บุตรธิดาของตอนเป็นคนดีแน่นอนที่สดบางคนลูกติดยาเสพติด ก, กันมากมายก่ายกองพระพ่อแม่ไม่ดี ไม่ได้สร้างกุศลให้ลูกเลยไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยจเจริญภาวนาแต่ประการใดตั้งมาเขาจเจริญพรไม่บังคับแล้วแต่เป็นดาวสงองค์เจ้าก็้ามาจองบังคับบังคับไม่ได้ผลบังคับใไปก็ามาสร้างความดีเนี่ยแสน จ, จะยากบังคับกันทําไมพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดเจนแะล้วต้องมีศรัทธาด้วยองค์ตนเองมีความเชื่อความเลื่อมใสด้วยตนเองกระตือรือร้นด้วยตนเอง แสวงหาดูตนเองจึงได้ผูกเป็นหลักปฏิบัติว่าปัญญาติ่มากับตัวความรู้อยู่ในตำลาใครสนใจแสวงหาเอาเองการเจริญภาวนาก็ต้อง ส, สนใจแสวงหาถามครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็มีเมตตาน้อยปรารถนาดีกับคณะศิษย์ช่วยชีวิตให้แจ่มใสอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าของหายากสีประการนั้นนะได้ช่วยเขา มันช่วยคนจมน้ำให้ขึ้นจากน้ำได้เหมือนต่คนที่ตกเขวให้เขาขึ้นจากเขวได้ก็จะได้บุญนะจะได้ควรประโยชน์ต่อไปอยากโยนทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐ า, านมากันมากหนาหลายตาขอให้มาด้วยศรัทธามาด้วยความเชื่อมาด้วยความเดิมใจอย่ามาหาเรื่องมันจะเปลี่ยงเวลาเป็นบาปเป็นกรรมมาก หรือเขากำลังนั่งภาวนาไปเสียงเฉยดา่างทำให้เสียสมณธรรมทำให้เสียสมณธรรมไปกวนอารมณ์เขาไม่เงียบสงบแต่ประการใดเป็นบาเป็นกรรมอย่างแน่นอนบาเพนทันตาด้วยบาเพนทันตาไม่ตั้งใจงต้องกล่าวว่าไปอในชาติหน้าแต่ประการใดชาตินี้ก็เห็นชัดเจนแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายอย่าโยมอัตมาตั้งใจแล้ว ปฏิทินในใจมานานแล้วแต่คอหักแขนหักขาหักไฟลวกน้ําร้อนหลวกฟ้าผ่าอฏิฐานติดตลอดมาข้าพเจ้าจะถวายชีวิตต่อระัตนตรัยว่าพุทธทางชีวิตต่างยาวนิพพานานางเทนางขจามิทมมังชีวิตต่างเยาวนิพพานนางเทนางขจามิสังขารชีวิตต่างยาวนิพพานานางเทนางขจามิอตตพาามมอพระศรีรัตนตรัย คุณค่าอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในตัวเองก็เกิดมีบุญกลายเป็นคนมีวาสนาทำอะไรก็สำเร็จตามปรารถนาและวัตถุประสงค์ทุกประการจะไม่แล่นแค้นอีกต่อไปแล้วคนที่แล่นแค้นคนที่นี่ออกพกอยู่ในใจก็เพราะไม่มีบุญวาสนาไม่สนใจในธรรมะไม่สนใจจะปฏิบัติธรรมแต่ประการใดมันก็ไล่ค่าขาดผลไม่มีบุญกุศลในตัวตนแต่ประการใด ออกมาอย่างนี้ชัดจะเป็นชั้น ผ, ผู้น้อยหรือผู้ใหญ่จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กลางคนหีืจะแค่ไหนก็ตามมีเช้าสายบ่ายเย็นดีวกันทั้งนั้นจะอยู่ตอนเชา้าเดี๋ยวเช้ามันจะอยู่ไม่ได้เมื่อต้องไปสายก็ต่อไปบ่ายอายุาก็มากบ่ายแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ตะ ว, วันก็ตกปักชีวิตก็ต้องดับด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยู่หัวค้ำฟ้าแน่นอน แต่ก่อนจะเป็นเช่นนี้เนี่ยสร้างความดีไว้ไม่ไดายอยู่จากโลกไปทั้งทีเอาความดีให้เลกมนุษย์ไว้ไหนจะจากโลกไปทั้งทีเอาดีติดวิญญาณไปบ้างนายชั้มปรยิยภพดาวโรแพดผลดันทีกล่าวมาแล้วทุกประการที่ญาติโยมมาเจริญกรรมฐานต้องการมีบุญไหมต้องการมีวัฒนาไหมตามาพูดมานานแล้วบุญมาบุญมีเบืบ้งมาวัฒนาก็อช่วย โอวยก็หายหนายก็รักบุญไม่มานะไม่มีบุญวาสนาไม่ช่วยแนะ่โอวยก็หนักรักกันนายหนีไปเลยไม่เอาเนื้อเอาตายจะประการใดท่านจะมีบุญวาสนาท่านจะคิดอเอาเองแต่จะต้องการมีบุญหรือจะมีบาปานต้องการจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ต้องการจะเดือดร้อนหรือจะไม่เดือดร้อนจะพองแพ้วหรือไม่พองแพร่แต่ประการใดตมาพูดมานานแล้ว การภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจเป็นกุศลการภาวนานี่ทำให้จิตใจเป็นมงคลการภาวนานี่ทำให้จิตใจช่างสำในฐานะที่ดีจะได้มีปัญญาอันความสุขนี่สาคัญมากยาเวลาใดทาใจใผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าชูราสีเวลาใดทำใจให้ราคีเหมือนมันี้แตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนีหายยาก คนส่วนมากไม่ชอบจ ะ, สะแสวงหาจะรอบแสวงหาความสุขสนุกเพียงหูตามันจะพาชักจูงให้ยุ่งใจไม่เกิดประโยชน์เลยแต่ความสุขใงจิตใจที่เรามาเจริญกรรมาฐานเนี่ยไม่มีใครสนเลยนะสนใจแต่เรื่องหาเลี้ยงหาราตลอดรายการไม่เอาเนื้อเอาตายจะประการใดความดีจะไม่ถึงจะถึกอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นได้แน่นอนปัจจานันก็ขออนุโมทนา ลับไปแล้วก็มนันสวดมนต์ไหว้พระนะให้เป็นนิดอธิษฐานจิตอย่าทิ้งงานและหน้าที่เพราะเราอาศัยงานหน้าที่อยู่อย่าทิ้งงานและหน้าที่รับผิดชอบอญญายุะธาตุอินทรีย์ตายหูจมูกลิ้นกายใจตายเห็นรับผิดชอบทางตาหูได้ยินเสียงรับผิดชอบทางหูจมูกได้เกลิรับผิดชอบทางจมูกเป็นหนอเป็นหนอเป็นตนลิ้นรับรสรับผิดชอบทางลิ้นทางปาก รับผิดชอบทางกายร้อนหนาวอ่อนแข็งจะร้อนเกินไปจะหนาวเกินไปก็ต้องอดทนการกุศลให้แต่ตอนตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปท่านจะได้บุญโดยกุศลต่อไปนะแล้วท่านจะเอาโหตญญโิกรรมันไดท่านโปรด้วยตั้งใจใช้ดีกางกุศลบุญเวลาสื่อให้จิตใจมีสติปัญญาแล้วจึงเอาโหติกรรมจะไม่โกรธกันจะไม่ผูกพยาบาลฆ่าทุกเวรแต่ท่านผูน้ใด จิตใจก็โล่งสงสัยจิตใจก็สบายสะดวกจริงๆสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตก็ทรัพย์ถิ่นแต่จะมีที่พึ่งทางใจจิตตัวไปแล้วค่อยแผ่เมตตาแต่ถึงตอนนั้นแผ่เมตตาจะให้ลูกเรียนหนังสือเก่นก็ได้ให้พ่อแม่หายจากโรคภัยใครเจ็บก็ได้ตองการจใจเพื่อนสนิทมิตรหายเป็นคนดีก็ได้สามารถจะแผ่ได้ทั้งนั้น ภรรยาก็สามารถจะแผ่ให้สามีเป็นคนดีได้สามีจะกินเหล้าเมายาจะเจา้าชู้หรือเฉลิ้นวนหัวนาภรรยาก็แผ่เมตตาโดยจิตเป็นมหากุรรยสามีก็จะกลายร่ากลายดีกลับเป็นคนดีไนดะ้สำคัญไม่เอาเรี่ยมเอาลาวสามีก็สามารถจะแผ่เมตตาให้ภรรยาได้ภรรยาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตาม ก็ขอเจตนาดีเอาเป็นฉันมาหาผู้ชนแก่ภรรยาของตอนมั่นใจต่อภรรยาของตอนและมั่นใจต่อสามีของตอนแล้วชนใจต่อสามีภรรยาร่วมร่วมคิกร่วมสมัครสมาน ร, ร, ร่วมรักใคร่สามาัคคีสร้างความดีในครอบครัวครอบครัวท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขมีลูกจะได้เป็นใหญ่เป็นตอจะได้สนใจเรีย น, น, น, นหนังสือนังหาไม่ต้องไปว่ากล่าวตักเตือนจนเกินไป เพียงแต่แนวเขาก็เข้าใจแ้วคนที่ไม่สนใจแนวพูดเป็นปาจะชีดเข้าเข้าหูซ้ายหอหูขวาก็ไม่เกิดประโยชน์อัไนได้ก็เพราะไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังไม่สนใจฟังมันก็ไม่รี้เรื่องอะไรเลยจิตส่งไปชื่ออื่นหมดไม่ตั้งใจแต่จะได้อะไรหรือแต่จะไม่ได้อะไรแต่ประการใดคนเราเนี่ยมักง่ายมักได้ออกมาได้จิตนิสใสปัจัย นิสัยไม่ดีทำยังไงก็ดีไม่ได้แต่การเจริญกุศลภาวนาทาด้วยศรัทธาท่านจะรู้นิสัยของท่านเองท่านสามารถจะเปลี่ยนของท่านเองเปลี่ยนภาวะขลับาลายใจดีสร้างความดีแก่ตนเองได้เกิดประโยชน์มากแต่ถ้าบวชใหม่ก็ตามเดินจงกรมนั่งจเจริญกรรมาฐานคืออาจารมีเมตตาบวชถาวายความรู้บาปมีประโยชน์อย่ามาอยู่เฉย ว ว, ว่าอยู่เป็นวันเวลาวันหนึ่งหมดไปเ ป, ปล่า ว, วันเวลาหมดไปเ ป, ปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดขาดทุนเวลาขาดทุนวันขาดทุนเดือนแล้วขาดทุนต่อชีวิตชีวิตจะแรงแค้นมาบวชก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเพราะไม่จางฉันไม่ลืมเริ่มไม่สนใจไม่ดำเนิน ง, งานในการบวชเลยไม่ได่เลยกลับไปเลยนะเนี่ยเราก็ที่กลางแสดงให้เขาาจ บางคนไม่ต้องบอกกันเลวอยากจะบวชใหม่บวชไม่มีศรัทธาไม่ต้องบังคับบังคับก็มาเดผลบางคับไปเขาสร้างความดีเขาเป็นคนชั่วเนี่ยบังคับไม่ได้คนดีไม่ต้องบังคับเพียงแหะแนวหน่อยก็วิ่งโูนแล้วพอแนะแนวหน่อยก็ไปแล้วไปครูเปลียวเปลียวกล่าวในทางดีดีคนที่เลวชั่วชาสา ม, มานคนไม่เจริญในอนาคต ไม่ต่อไปแนแนวแต่ประการใดแนแนวก็ไม่เอาไหนคนอายุสั้นงานการก็สั้นอนาคตก็สั้ไม่ลุ่งโรือโลดพัฒนาการไม่ลุ่งเรียงวัฒนาสถาพรแน่นอนทําให้อายุสั้นจะเห็นสั้นดีระยหรือจะเห็นยาวดีกระสรัรนบางคนเห็นสั้นสั้นยาวยาวเห็นแค่หัวบรรไดไม่เดีสนใจอะไรเลยไม่สนใจความดีให้เกิดผลในตัวตนแต่ประการใดไม่สนใจจะเลี้ยงลายสาละ ก็สรุปใจความว่าขยันนอกหน้าที่การงานไม่จะเป็นงานในหน้าที่ก็ขยันขยันในสิ่งที่เลวร้ยรายตลอดเดียการตัวตนก็ขาดเหตุผลโดยทําอะไรก็ไม่เป็นมากเป็นผลค้าขายก็ขาดทุนธุรการก็ไม่เจริญรับราชการก็ไม่เดินไปด้ีดียศตําแหน่งก็ไม่ได้นี่แหละเพราะสร้างทำตัวให้ชา้เองไม่ทําตัวให้ยาวแต่ประการใด ขาดมนุษย์สัมพันธ์ขาดพวกพ้องขาดญาติพี่น้องมากมายไม่มีมือษสัมพันธ์ขาดปราชจากเมตตาตัวเดียวมี่แหละท่านทั้งหลายท่านปฏิบัติแล้วท่านจะรู้ตัวเองว่าเรามีศัจจ์พูดจริงต้องทําอย่าเดียวไม่มีกับคนที่มีธรรมะคนมีธรรมะไม่มีเดียวงานต้องเสร็จพลันทันเวลาด้วยนี่คือศัจจ์คนมีสัจจ์และ้วจะเห็นอกเห็นใจกัน พี่เห็นใจน้องน้องเห็นใจพี่ลูกตาวทั้งหลายเห็นใจพ่อแม่เยอกเกินรู้การน้ำใจของแม่ว่าแม่ลาบากเลี้ยงเรามารู้การน้ำใจของพ่อไม่ยอมทอใจพอแม่ลาบากลาบนแค่ไหนถ้าใครปฏิบัติได้น้ำาหลายจะออกตาว่าอ๋อเรานี่นะเทียงพอเถี่ยงแม่ไม่เคยช่วยพ่อแม่เลยมันจะเกิดผลโดยสอนตนเอง ตอ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะกลับไปช่วยพอ่อช่วยแม่ข้าพเจ้าตลอเลยการนับวันท่านจะเท่าชะเลแกชรลาแต่ะจะต้องตายจากโลกไปแล้วเรายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยนี่แหละเจริญกรรมฐานมันจะได้ผลขอให้มันทำจริงๆเถอะทำไม่จริงเลยมันก็ไม่ได้ผลอะไรทำเหยาะเหยาะแยแยจิ้ม จ, ำจำิจ้มจับจับนั่งยังไม่ทานเลยเลิกแล้วเดินจงกรมยังไม่ทานเลิกเนี่ย เลยท่านมาได้พบของจริงเลยท่านเป็นคนปลอมท่านเป็นคนเก้ก็ไายของเก้ไปเชอะทําปลอมก็ได้ของปลอมต่อไปไปมีผัวผัวก็ปลอมมีเมียเมียก็ปลอมเลยต่างคนต่างอยู่ตามคู่อยู่ในลูในคู่ในในคู่ของตอนออกมาอย่างนี้เป็นตอนจะมาได้ผลอย่างสมค่าปาร์ น, นาทุกประการกลายเป็นปลอมด้วยกันปลอม มักก็ไม่ได้พ้นก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่งอกงามทําอะไรก็หดเขียวจิตใจก็แห้งแรงแล้วก็แรงน้ําใจน้ําใจก็ไม่ได้ผลเกิดอนิสงส์แต่ประการใดขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิ ก, กาทุกทุกท่านที่ข่านตั้งใจมาปฏิบัติทำด้วยศรัทธาทําด้วยความเชื่อทำด้วยความเลื่อมใส ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยความเคารพสักดิ์สอย่างสูงและเคารพเจ้าพระธรรมที่เราปฏิบัติกรรมฐ า, านได้ธรรมะเห็นแจ้งชัดโดยอริยสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกสระหมูไทยนิโรธมักมีทุกเราก็แก้ไขทุกคือสระหมูไทยนิโรธแจ้งตัดใจแล้วข้าพเจ้าไม่มีสัยอย่างนี้ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนนิสัย จะไม่จนจะไม่อาบเฉาอับจนต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าจะเป็นคนรวยรวยสวยดีมีปัญญาต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งใจต่อไปในอนาคตให้ลุงโลดโจทยนาการวัฒนาสถาพรต่อไปเถิดท่ารจับแล้วเสิ็จที่สดการภาวนาต้องการให้ใจแล้เสริจพบพระพระอยู่ในใจท่านมาได้ท่านแล้เสริจมานั้นนั่นแหละเห็นตถาคตแล้วจิตใจมีบุญ มีคุณประโยชน์กตานูกตะเวจิตาธรรมเปิดขึ้นาาออมาเมตต า, าเฉลี่ยวความสุขเชื่อใจตามไม่หวงเงินเก่งหวงเงชัยไม่ฟ้องแย่งสุบัติกันก็เรียกว่าสามารถคีธรรมนำสรรพสุขตกใจให้ตื่นเสรชีวิตไว้ให้แจ่มาสและกับตัวเองก็มีระเบียบมีนัยมีระบบแบบแผนอันดีงามต่อไปในอนาคตจะขยันหมั่นเพียรตลอดเลการจะไม่ขีเกียจหยียบฉันอีกต่อไปแล้ว จะทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้แต่ตนและครอบครัวต่อสังคมต่อไปต่อประเทศชาติต่อทั้งพระศาสนาต่อทั้งองค์พระมหากษัตริย์ขัติยะหลัเจเพเ พ, พนีมาแต่โบราณการนันแลมทุกท่านก็ขอเจริญรุ่งเรืองในธรรมน้ำมาปฏิบัติในหน้าที่แต่ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาพละปฏิพานธนาจารทุมบัติ นึกเกิดจริงหนึ่งประการได้ชมความลมุม่มาตราธนา่องการทุกลูกทุกนามหน้าโอกาสบัดนี้เชิญสั <c oughs> พพโลข้าเวนมองโกสัพรพานสัพวา ตาเปลือดนามเกียรติกนิยมพุทธจตุวังสวัสดีโยรูวัฒ a ์ท่านตุลาฟ้าหลวงคนนี้ มาตมาเทมวนหวานกลยอดกหิ cage, ้เพงทางโยคะมาอานิวานาเชอรจะนจามุลาปะจยนอจัด การลางางวันทันกิอายุวันโลภุคันอาลังายุโทภัณฑ์โทเบโลยานาโทปิพาณโทโทขัด เตตวรุกันขออิธริอายุทาาลนังกคันกัปฏิภาณณโกเดชคันโยยาทว่าหนียาขยาทปกตัปปะจะเป พวันโตดังลงคงลันตุอาเทวตาสัุทตะนุปเนสดเาันตแต่พวตจั สามกาลราขันตุกรอาเทวตาจักรอธรรมาวานุภเวนก็เทวันตุเจ้าวันตุจักรสมกลราขันตุจักอาเทวตาจัก าสังฆาโนอาเวนัสทาสต ใจแผ่เมตตาให้นั่งท่านั่งสมาธิกันสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอะพระยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีพา จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอนั่งพระเพีปนมือค่ะ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 จงมีความสุขอิทังสัพเพเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทัง สัพพะเปตานางโหโตุสุขิตาหโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทงังสัพพะเวรีนางโหโตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพัสตานังโหตุสุขิตาโหนตุ สัพเพสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขคุกเข่ากันอระหังสมาสสพุทตโภะควาพุททงภะควันตังอภิวาเท สวะหโตพวัสโมธรมนัมสามสุปฏิปันโนพรวโตสาวกสรงโสรางธรมนม สรมาธรมพุทโธพะวันรมมพุทโธะกัวันจงอะภิวาเทมีตตพะัวัะิวาเท สวากาโตภะคะวตาธรมโจสวากาโตภะคะวตาธรมโมนามาชาอมีธรรมนามาชั <chuck le> ่งตูปติปนโนภะคะวตาช้าวะกาจังโค สุขติปันโนะตุวะโภะโังังนะมามงังนะมาม